ก็มีมากมที่มาด้วยก็จำเป็นจะได้ปารกในสิ่งที่ควรปลารกบ้าตามสติกำลังเพราะทรงเห็นลูกเล็กเด็กแดงที่ยังไม่รู้อินูอ่น่อะไรก็มีมากพวกคนหนูทั้งหลาย ตั้งใจฟังให้ดีเนอะลกปูกจะปาลาลูกอะไรให้ใ ห, ให้คุณหนูฟังเพราะคุณหนูจงตั้งใจฟังให้ดีพระบร ม, มาศาสาดาซึ่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสังสอนพวกเราทั้งหลายมาตาปิตุปัฏฐานะเอตมังคลมุตตะมัง คุณของพระบิดามารดาเมีมากไม่ให้รบหลู่บุญคุณองค์ท่านให้รู้จักพระคุณท่านให้บอกง่าให้ founding, ใหสอนน่ายคุณของพระบิดาพระมารดาเปรียบเหมือนค ja ุณพระละหันเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชราการจงเลี้ยงท่านอย่าให้อดและท้ใจด้วยชนก คน้มีพระเดชได้ปกเกตเกสามาจนใหญ่วุ่มอุธรป้อนข้าวเป็นเท่าไรหมยจะได้พึงพาธิดาดวงถ้าเราดีมีจิตอุปธรรมกุศลล่ำเลิศเท่ากับภูเขาหลวงจะปรากฏยดยิ่งสิ่งทั้งปวงจนกว่าจะล่วงลุกถึงซึ่งท่านผ่านมีพระพิษุอง์หนึ่งบวชมาแล้ว เป็นกังวลกับบิดามานดาไม่ได้สมาธิไม่ได้สมาบัิอะไรก็เพื่อนพระมัวเป็นกังวลกั บ, บิดามานดาเมื่อได้อาหารมาไปบินธบาดได้อาหารมาเล็กน้อยวันนั่นไม่ฉันก็เลยให้คุณพระบริดามานดาเสียหมดถ้าวันไหนได้มากก็จึงฉันเหตุฉนั้จึงทำอย่างนั้น พอเห็นว่าพวกที่อยู่ทางคารวะการดูแลบิดามา ร, รดาไม่เป็นธรรมเท่าที่ควรท่านนึกทั้งเวทท่านก็เลยเราคงมีสิทธคนหนึ่งแม้เราบวชมาเราก็ต้องมีสิทธิ์ท่านพูดอย่างนี้ท่านนึกอย่างนี้พระองค์นั้นเมื่อได้ผ้าเหลืองผ้าเหลืองมาท่านก็เอาผ้าเหลืองไปซักออกให้เป็นขาวให้บิดามา ร, รดาในส่วนตัวไม่ใช่ของสูง บิดามันดาไม่มีน้ำท่านก็ไปตักมาให้หาบไม่ได้ท่านก็หิ้วเอาหิ้วไม่ได้ท่านก็คลอนเอาฟืนไม่มีท่านก็เอามาให้ฟันฟืนเป็นไม่ได้ท่านก็เอาฟืนตายปฏิบัติมบรดามีดาอยู่อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายยกโทษไปฟ้องว่าบวชเลี้ยงบิดามารดาพระบรมศาสดาก็รับฟ้องเออตอนเย็น เราจะตีละครให้พระสงฆ์มาประชุมดอกท่านบอกกระโจดอย่างนั้นพอถึงตอนเวลาเย็นก็ตีละครให้สงฆ์มาประชุมแล้วก็ไต่สวนเป็นทำเป็นพิธีไต่สวนพระพุษุองค์ที่ถูกฟ้องได้ยินพระพุทธสูทางหลายมาฟ้องเราจะทาคตว่าเธอปฏิบัติปิดามารดา ด้วยการให้อามิตรทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการตลอดถึงตัดน้ําำหรือหาฟืนจริงไหมยิงพระเจ้าข้าถ้าหากว่ามันผิดกับผมก็จะเล่นถ้าหากว่ามันถูกก็จะดํารงสวงไว้ก็ไม่เหลือวิสัยของสูงและพระองค์เหมือนกันเธอเห็นเป็นยังไงเธอถึงทําอย่างนั้นเห็นว่าบิดามารดานี้นนเรียงมา ไม่ผเดษพราะคุณมากแม่เวลาอยู่ในท้องขององค์ท่านท่านก็ทนลําบากเหลือเกินนอนก็ลําบากนั่งก็ลําบากประอุจิละปัสสาวะลําบากทั้งนั้นสารพัวัดเวียงเวลาจะคลอดออกมาวิดามันดาก็โศเป็นโศตายเสียเส่ยงบุญเสี่ยงกรรมไม่รู้ว่าจะตายหรือจะยังในลําบาก ทุกสิ่งทุกอย่างเวลากระผมคลอดออกมาแล้วพอคานเป็นบิดามันดามือทำงานตาแลดูลูกเนื้อลูกจะคานตกพอวิ่งเว้นเล่นตามถนนเป็นบิดามันดาก็ตาสอดอยู่กับลูกเวลาลูกเจ็บป่วยบิดามันดาก็ป่วยจิตป่วยใจด้วย ของคาปากอยู่ถ้าลูกล่องให้กินก็จะคายออกให้สารพัดวัดเวียมหิ้วข้าวก็ส่งข้าวหิ้วนมก็ส่งนมพยุงพะยาวพยาบาลอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเห็นพระเดชทคุณขององค์ท่านมากถึงแม้ว่าพระบรมศ า, ศาสดาเป็นครูเอกในโลกก็จริงแต่ว่าบิดามารดาของกระผมเป็นบุคคาจารย์ได้สั่งสอนก่อน เมื่อเป็นดังนี้กับผมก็ น, นึกถึงองค์ท่านไม่มีที่จะโต้เถียงเกี่ยงงอนและไม่มีที่จะโกหกพกลมอันใดกับองค์ท่านเขารับนับถือมากเขารับนับถือเหมือนกับพระบรมศาสดาเสมอกันพระบรมศาสดาเป็นพระองค์เอกแต่ก็เป็นครูทีหลังของวิรามานาของกระผมเขาได้สั่งสอนทีหลัง ถ้าเบิดามดาของกระผ ม, มนเลี้ยงกระ ผ, ผมกระผมก็ไม่ได้มาบวชกพรพุทธมรรคศาสนาอีกด้วยท่า น, ท, า น, ท, านท่านเลี้ยงเป็นเรื่องของท่านแต่ส่วนกระผมที่จะระลึกถึงขององค์พระคุณขององค์ท่านก็ต้องเป็นเรื่องหนึ่งอีกมันเป็นคนละเรื่องถ้าจะาว่าเป็นหน้าที่ของท่านหน้าเดียวกระผมไม่ระลึกถึงพระคุณของท่านเลยกระผมก็คงผิด ก็ผมมีความเห็นอย่างนี้จะถูกหรือผิดประการใดขอทรงพระกรุณาโปรดเก้าเฝือนตลอดถึงคณะสงฆ์พระบรมศาสาดานิ่งอยู่สักครู่สักครู่เดียวก้มหน้าลงเนืง้อเงยหน้าขึ้นดับตาพูดสาธุสาธุสาธุคำสาธุอันนี้จงบรรดอนดาล ให้ได้ยินถึงพมมโลกตลอดทั้งมนุษย์ทั่วทั้งใต้โลกธาตุพรุมศาสนาอธิษฐานคำพูดจงฟังให้ดีพี่ครูสงฆ์ทั้งหลายเราเกิดมาในภพใดชาติใดเรามาได้ทอดทิ้งวิดามานดาของเราเลยคุณของพระพิดาคุณของพมานดาเปรียบเหมือนคุณของพระละหัน ไม่ใช่คุณต่ำๆเป็นโลกุตระคุณผู้ใดประมาทจะบวชก็ดีจะอยู่ทางคลวาดก็ดีเป็นคนอากตันอยู่ทำมาหากินไม่ขึ้นไปเกือบจะไม่รอดท่านพูดอย่างนั้นเราทศกาคตเกิดมาในภพใดาชาติใดไม่ได้ทิ้งบิดามดาเลยชาติเราเป็นนกแขก เราเอาไปเก็บข้าวที่ชาวนาเขาทำร่วงหล่นที่เขาไมา่ได้หวงคาบมาให้วิดามานดากินชาติเป็นนกแผกทีนี้ชาติเป็นลิงเราได้หาบากไม้มาถวายวิดามานดาของเรา เราไม่ยอมกินก่อนเลยเรากินทีหลังเราเป็นกระบือชาติเราเป็นกระบือพอไปพบหญ้าที่ไหนอ่อนๆเราก็เดินวนเวียนคอยหาบิดามารดาของเรารักษาหญ้าที่นั้นไว้พอบิดามารดาของเรามาถึงเราก็ให้อนัดสัญญาณให้ท่านมาจริงตลอดถึงเราเป็นมนุษย์ในชาติใดๆก็เหมือนกัน ตั้งแสนชาติล้านชาติก็ ต, ตามเราไม่เคยทิ้งบิดามันดาสักทีเราเป็นส่วนนะสามบิดามันดาของเราตาบอดเราก็เลี้ยงจนถึงท่นนานมรณะภาพเร้ไม่ทอดทิ้งเลยคุณของบิดามันดาเปรียบเหมือนคุณพระหลานตลอดถึงชาติเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ได้ประเทศ เอาพระมารดาของเราที่ชั้นดาวดึงให้สําเร็จพระโศดาบันพระสุทโทธโรทนะซึ่งเป็นพระราชบิดาของเราเราก็ได้ไปเทศท่านถึงพระละหันพอท่านถึงพระละหันแล้วก็ท่านก็สิ้นลมในขณะนั้นท่านก็เข้าสู่อนุปาทิเสสในพานพรอสิ้นลมหายใจก็พ่อกันกับสําเร็จพระหรลหันเรามาได้ประมาทคุณพระบิดามารดาสักชาติสักภพเลย ทิศชัทั้งหลายจงเอาเป็นอย่างอย่างทิศสูองค์นี้พวกคนหนูทั้งหลายจงจำไว้อันนี้อย่าได้โกงหกพกลมบิดามันดาอย่าได้วิติ i u ในทำการงานสิ่งไหนๆก็าตามให้เคารพนับถือที่นอนที่นั่งของบิดามันดาอย่าไปเหยียบไปย่าอย่าไปข้ามระกาย ถ้าพรทอนสบายของบิดามารดาถ้าโสกปกหรือโซมมไม่เป็นหน้าที่ของเราจะปฏิเตียนท่านเป็นหน้าที่ของเราจะเอามาซักเอามาตากเอามาเก็บมาทําให้สะอาดบิดามารดาของเราโสกปกมากอย่างนี้ไม่ถูกก็เรานั่นเองโสกโปกเพราะเป็นหน้าที่ของเราจะปฏิบัติองค์ท่านเคารพนับถือท่านได้เรี้ยงมาแล้วเรี้ยงท่านตอบพ ร, ระบรมศาสดา ทำกิจธุระของท่านเมื่อท่านสั่งสอนให้ทำกิจธุรอะอนไดก็ทำตามสติกำลังของเราไม่ต้องบิดเครีว้วไม่ต้องโกหกพกลมเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นตอบโดยเคารพโดยสัตย์ซื่อบิดามารดาถึงจะดุจะดา่าเราจะเพียงไหนก็าตา ม, มก็เหมือนช่างเหล็กช่างเหล็กที่ตีเหล็กแกตีค่อย หรือจะตีแรงก็าตามเข า, าตีเพื่อให้มันเป็นมีเป็นผ้าไม่ใช่จะตีทิ้งบิดามันดาเมตตาสงสารเรามากเรารักบิดามันดาไม่กึงเสี้ยวเดียวของบิดามันดาที่ดุเราถ้าในเรื่องมาแล้วเรื่อท ง, ทงท่านตอบทากิจธุระของท่านดำรงวงตระกูล ประพฤตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกในสมัยรัชกาลที่หกมรดกมีตัวท้อหางยาวดกก็ตัวรอชดาสมัยนี้มรดกเฉยเมื่อท่านลงรับไปแล้วทำบุนอุทิศให้ท่านเคารพ บ, บิดามารดาเหมือนพระเคารพพระผู้สรงยังไงก็ต้องเคารพ บ, บิดามารดา จะเอาของกั บ, บิดามันดาบิดามันดายื่นเอาของให้ก็ต้องรับสองมืออย่าไปรับมือเดียวบิดามันดานั่งอยู่เราอย่าไปเดินผ่านใกล้ๆเดินกลๆเราจะเอาหอของให้บิดามันดาเมื่อองค์ท่านนั่งอยู่เราก็นั่งลงเสียก่อนจึงให้จะรับของกับองค์ท่านก็เหมือนกัน อย่าดึงกระชากมาเลยต้องรับโดยเคารพต้องให้โดยเคารพผู้ใดทำเช่นนั้นผู้นั้นเค า, ารพพระอรหัตผู้นั้นจะเจริญรุ่งเรืองจะเป็นคนดีมีศักดิ์ศรีจะทํามาหาเลี้ยงชีวิตตลอดตัวไปจะรุ่งเรืองเหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้นในวันข้างขึ้นมันก็นับจะรุ่งเรืองไปจนถึงวันเพ็ญ ถ้ามิฉะนั้นแล้วจะตรงกันข้ามจะเหมือนพระจันทร์ในวันข้างแรมนับวันจะศูนย์สิ้นไปเรื่องเคารบวิรามารดาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาตาปิตาจะโอละสังมาตาปิตาจะพลัมม า, ามามาดาเป็นผรม ของบุตรมาตามานนาวิดามานาเป็นผู้ปกครองโอรสมาตาพิตาจะพรห ม, มานาเป็นพรามเป็นผู้ที่ควรเคารพพรามก็คือผู้ที่ควรเคารพมาตาพิทู ป, ปัฏฐานะควรอุปถากวิดามานาเอตมังขนานมุตตะมังจึงเป็นมงคลอนุดมดีของเทวดาและมนุษย์ทางหลาย บุคคลผู้ใดเคารพ บ, บิดามารดาบุคคลผู้นั้นก็เคารพพระพุทธศาสนาก็มีความหมายอันเดียวกันคุณของบิดามารดาผู้ญาตาิทั่วหรือคุณท่านผู้มีคุณก็รวมกันอยู่เหมือนแกงหม้อใหญ่ๆนั่นรวมกันอยู่ทั้งผักทั้งอะไรตัวอะไรไม่คัดข้องกันถ้าคนไหนคณหนูคนไหนประมาบบิดามารดา ก็ดีหรือโกหกพกลมก็ดีหรือใช้ทางอื่นให้ไปทางอื่นก็ดีให้กลับตัวเสียเดี๋ยวมันจะติดนิดสัยอความเคารพนับถือความยังเกรงมีเท่าใดให้ลงทุนลงต่างแข่งกันเอแข่งความดีกันไม่เป็นไรหรอกอย่าเอาความชั่วมาแข่งกันมนุษย์ของเราแข่งกันด้วยความดีต่างคนก็ต่างเ จ, เจริญขึ้นถ้าแข่งเอาความชั่วมา มาแข่งกันก็ต่างคนต่างจะต่ำลงไม่อ่อนมันดัดง่ายถ้าใหญ่โตหัวฐานมาแล้วสั่งสอนลำบากเด็กขนาดนี้กำลังสั่งสอนง่ายให้จําไว้บิดาของเรามารดาของเราเป็นผู้ขารบพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นหัวจักอันดีของพวกเราแล้ว เราเกิดมาพบบิดามารดาที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เป็นบุญของพวกเราอันหนึ่งแล้วเป็นบุญอันร่เกล้าแล้วถ้าหากว่าเราเกิดมาพบวิดามารดาที่มาถือพระพุทธศาสนาทีนี้ท่านจะฝึกปือเราไปยังไงอีกเราก็จะนับวันจะตกต่ําอีกเหมือนกันบิดามารดาของเราก็จะตกต่ำเมื่อวิดามารดาของเราไปในทางที่ทอบทอดสะพานให้พวกเราแล้วพวกเราก็ต้องจําไว้ ต้องเป็นผู้ที่เคารพนับถือมีโบราณท่านกล่าวไว้ว่าบุตรไม่เลี้ยงวิดามารดาก็กล่าวคำเป็นคาถาด่าลูกชายว่าเลี้ยงบุตรนี้น้อยนักไม่ทําไม่แทนมือพอได้เหมือนใจไม้คุณไม่เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ข้ากายย่างย่องจ้องจดตุน จะเดินทางไปข้างไม้ไกลสถานเพื่อพบผานสัตว์ ร, ร้ายจะวายวุ่นไม่เท้าปัดวัดเรียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ละเลยเช่นเขาพูดเจรจากันว่ากันกันเกลื่อนเหมือนลูกเช่นลูกที่กากูเจ้าข่าเอ๋ยดาวคาถาด่าลูกชายลูกชายไม่เรียกไม่ดูเลย ทียอบกับไม้เท้าที่เท้าไปมายดีกว่าได้ข้ามกายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานมเมื่อพบผ่านสัต ร, ร้ายจะวายวุ่นไม้เท้าปัดวัดเรียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ละทิ้งละเลยเพราะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นต้องจำไว้ข้อนี้เป็นข้อสำคัญมากยากจะมีผู้เล่าให้ฟัง เพราะไปเล่าอันอื่นกันไปเสียหมดมีในธรรมเทศนาของพระบรมศาสด า, ศาการพัฒนาตัวเองมันไม่มีเรื่องเฉพาะเท่านั้นมันยังมีเรื่องอีอกอโขถ้าเรายังท่องเที่ยวอยู่ในวัตาสงสาร ยังไม่หลุดไม่พ้นไปจำเป็นก็ต้องจะได้พัฒนาตนอยู่เสมออพัฒนาตนก็คือพัฒนาจิตใจพัฒนาพัฒนาความประพฤติพัฒนาด้านธรรมะหาเลี้ยงชีวิตเดิทางที่ชอบพัฒนาด้านศิลธรรมเข้าในกิจในใจอีกมันหลายพัฒนาจะพัฒนาแต่หากินหายทายเฉยๆก็ยังไม่พอเพราะสมไม่สมฐานะสมบัติของมนุษย์สมบัติของมนุษย์ ก็มีทั้งสิ่งของที่จะกินจะใช้เป็นเวลาของชีวิตเป็นเวลาของสังขันสำหรับบุรณะชีวิตไปประจำวันจะเกียร์ข้านก็ไม่ได้และจะหาในทางที่ไม่ชอบก็ไม่ถูกสิ่งไหนที่ปีงเกลียวของธรรมะสิ่งนั้นก็ไม่ควร ที่นี้ยังไม่อีกด้านจิตใจก็ต้องมีธรรมะก็ต้องมีศีลธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องรักษาโคกระบือเขาร่มรู้มันก็ฟังมนุษย์ของเราจะเอาอะไรมาร่อ ม, มันก็ไม่ฟังถ้าไม่เอาธรรมะมารอำถ้าไม่อยู่ในขอบเขตธรรมะก็ไม่มีอะไรจะมีรูวของมนุษย์มนุษย์ที่ไม่มีธรรมะ ไม่มีคุณของมิดามารดาไม่มีคนของพระพุธพะทธธรรมประสงค์อยู่ในใจก็คือมนุษย์ที่ไม่มีรั่วก็คือมนุษย์ที่ไม่มีขอบเขตมนุษย์ไม่มีวิชาเป็นที่พึ่งของตนเป็นมนุษย์อาภัพเป็นมนุษย์แต่ร่างกายจิตใจเป็นสัตว์กิลิชานไปเสียเรามีอิสระจะสร้างความดีใส่ตนใส่ใจ เราไม่มีอิสระจะสร้างความชั่วคนเรามีอิสระทุกๆคนแต่ว่าเราจะมีอิสระไปในทางดีจะพยายามทำถึงเราไม่ดีก็ตามเราไม่ดีนั่นแหละเราจะพยายามประพฤติให้ดีไม่มีใครดีมาแต่ในใ น, ในท้องของมรรดาดอกพระบรมาศาสดาก็เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านก็มาหัดเอาเหมือนกันแต่ก่อนท่านก็เป็นพุทุชนคนหนา พระอดีตเจ้าออกพระสุวดาบรรจกทาคามีนาคามีพระอรหันต์ท่านเหล่านี้ก็ออกไปจากพุทธชนคนหนาทั้งนั้นเพราะพยายามปีนป่ายขึ้นกิ้งคบขึ้นภูเขาฝนทั้งให้เป็นเข็มคนเราก็มีทั้งผิดทั้งถูกแต่เมื่อรู้จักว่าสิ่งใดผิดสิงนั้นก็เป็นครูสอนเราไม่ทําอีกเมื่อรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งนั้นก็เป็นครูสอนเราจะได้รักษาไว้ ใครๆก็เหมือนกันความเพียรในทางพระพุทธศาสนามันมีอยู่สี่อย่างชังวัละประทานเพียรมาระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในชั้นดานปะหานประธานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสั้นดาน อนุรักษนาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมาให้เสื่อมไปความเพียรสีอย่างนี้เป็นความเพียรชอบควรประกอบให้มีในตนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเรายังไม่พ้นทุกข์ในวัฏสงสารยังไม่ถึงพระอรหันต ก็จาเป็นต้องพัฒนาจิตพัฒนาใจพัฒนาความประพฤติจะขาดไม่ได้จะนอนใจก็ไม่เป็นถึงพระรหัตตราบใดจึงจะหยุดพัฒนาพระรหัตจบพัฒนาแล้วพระท่านพ้นทุกข์ในวันตาสงสารเรามีหน้าที่พัฒนาตัวเราจิตใจ ในความประพฤติให้อยู่ในวงเขตของศีลธรรมถ้าหากว่าเราเป็นคนไม่ดีเราก็บาปทำให้วิดาดาปู่ย่าตาทวดเป็นห่วงเออลมพัดตื่นไหมสะดุ้งไหมตกใจเลยเออ เรามีหน้าที่จะสร้างตัวเองให้ดีขึ้นในทางบริสุทธิ์ด้านคลองชีพด้านธรรมะเป็นคู่กันไปถ้าเรามมยจะสร้างแต่ทางคลองชีพด้านธรรมะไม่สร้างเสียแล้วบางทีเราสิ้นลมปรานไปเราก็ไม่มีที่พึ่งเหตุฉะนั้นเราจึงสร้างธรรมะเข้าในจิตในใจของเรา กุศลผลบุญที่เราทําไปเป็นคู่ ก, ก, กันกับอายุและชีวิตเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าการมรณะภาพไม่นิยมว่าเท่าว่าแก่ปลาชาของเด็กก็มีปลาชาของผู้อยู่ในท้องก็มีปลาชาของคนแก่ก็มีเพราะคนเกิด อยู่ทุกวัยมีคนอยู่ทุกวัยก็มีคนแก่อยู่ทุกวัยก็มีคนเก็บอยู่ทุกวัยก็มีคนตายอยู่ทุกวัยถ้าเราจะแก่จะชน า, าเนี่ยจ ะ, จะสร้างกุศลพลบุญบางทีเราไม่ทันแก่ทันชร า, าอยู่ในระหว่างปฐมวัยที่ลมหายใจไปเสียเราก็เปล่าไม่มีประโยชน์เลยค่ายก็เปล่า เข้าไปในเมืองไม่มีสตางค์ก็ไม่ได้กินขนมพวกเขาเป็นผู้อดอยากทีนี้ทั้ในใดก็ดีแล้วต้องทําเป็นกู้กู้กันไปจิตใจของเราสร้างกุศลพลบุญลงเท่าใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องอยู่มีคุณบิดามารดาเป็นเครื่องนับถือจิตใจของเราก็นับวันสูงขึ้นเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญถ้าจิตใจของเราห่างเหินจากคุณบิดามารดาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าคุณทานศีลภาวนาะอันใดอันหนึ่งก็ดีก็นับวันจะต่ําลงความประพฤติของเราก็นับวันจะต่ําลงเราก็ไม่มีที่พึ่งก็มีแต่ความชั่วจะมาเป็นที่พึ่งของเราไม่มีความดีมาเป็นที่พึ่งเราจับไฟก็มีแต่ความรอนมาเป็นที่พึ่งเราเว้นจากไฟก็ไม่รอ้อนเห็นใดก็ดีเมื่อเราทาดีความดีนั่นไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่ใจของเรา เราทำชั่วความชั่วจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจของเราเรานึกมาเห็นเวลาไหนมันก็เดือดร้อนตามส่วนควรค่าที่เราทำน้อยแลือมากเมื่อเราเร า, เราทำให้ดีตอนไหนที่เราทำดีเรารละลึกมาถึงมาที่ใดใๆขณะใดจิตใจของเราก็เยือเกเย็นสบายเป็นที่อุ่นอกอุ่นใจเป็นเครื่องอบอุ่นของตนความชั่วเป็นเครื่องทำตนให้เดือดร้อน ไม่เป็นเครื่องที่ทําตัวให้อบอุ่นไม่ทําใจให้อบอุ่นได้ฉะนั้นเราจึงพยายามทําความดีใส่จิตใส่ใจของตนใส่ความประพฤติของตนความดีเราทําไว้มันก็ไม่รู้สูญหรอกไปไหนก็ไม่ได้หามไมด้หิ้ยเพราะความดีมีในคันธสันดานแล้ว อ, ออกใช่ที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นไม่ได้หามไม่ได้หิ้ยเพราะอยู่ในมนโนภาพของเราทําบุญแล้วไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ใจของเรา ทำบาปแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่ใจของเราเพราะใจของเราเป็นผู้สร้างขึ้นเพราะใจของเราเป็นผู้ทําเราอยากเข้าใจว่าบุญอยู่ที่ไหนบาปอยู่ที่ไหนบุญก็อยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจถ้าเราทําให้เกิดบุญก็บุญเราทําให้เกิดบุญก็คือสุจริตก็คือความดีนั่นเองก็คือคนว่าง่ายชอนง่ายนั่นเองก็คือคนแม่โกหกพกลมนั่นเองก็คือคนเคารพบิดามารณ์นั่นเองปูญาตายายนั่นเองผู้ว่าง่ายสอนง่ายนั่นเองคือบุญ ผู้วา ย, ยาสซ้อยากก็คือบาปที่สาหรับพวกคุณหนูก็พอดีนะทีนี้ต่อไปพวกผู้ใหญ่จะพาลกอะไรอีกทีนี้พวกคุณหนูพอดีเนะขนาดนี้ <c oughs> ถ้าพวกคุณหนูเหนื่อย <c oughs> จะลงไปนอนก่อนเสียพากันเป็นพวกพวกไปก็ได้เนะ <c oughs> ไป ไปนอนก่อนพวกผู้ใหญ่เสียจะพักเสียเหนื่อยมีไฟไห ม, มๆๆๆๆไปก่อนพวกผู้ใหญ่เสียพี่พวกชาวกรุงจะไปก็ไปเหนื่อยพวกกรุงพวกชาวกรุงหลายครั้งแล้วเหนื่อยพาลูกพาลูกลูกหลานไปพักเสีย ไปหางปู <Bye. S 2> ่ไปแล้วานเนี่ยแต่พวกกาลสินที่มาใหม่นี่หาหลวงปู่กันพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขเป็นสุขเป็นุเป็นุพุทโธธัมโมสังโฆ ถ้าลูกๆแล้วหลานแต่พักใช่อืมไปถ้าลูกๆล้วหลานแต่พักใช่เดี๋ยวกลับไปก็มาปีนขึ้งเปลี่ยนลงก็เหนื่อยหลายทั้งแล้ววันนี้อือโทตโมสังโกลพากันภาวนาเน้อนอนภาวนาก็ได้เน้อเออนอนภาวนาอโอตโมสังโกลพวกโทตโมสังโกลพวกโทตโมสังโก